บัตรนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปพระพุทธดํารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไปตัดแก่ท่านเหมะกะมานุปซึ่งมากราบทูลถามปัญหาโดยต้องการที่จะทราบผลการปฏิบัติสูงสุดที่ทําให้ตนเองหลุดพ้น จะกำนาดแทนกรรมคุณทั้งหลายไปได้ในรับสั่งในตอนต้นว่าพิพานเป็นที่ระงับดับฉันท ร, นทราคคะคือความกำนัดดริยอำนาจความใครในสิ่งที่ตนใครทั้งหลายไดยส่งเน้นไปที่สิ่งที่เรียกว่าปิยรูปศัตรูที่บุคคลได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาแล้วได้ จะทำให้ผู้ปฏิบัติเช่นนั้นเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงคงที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงคำว่าฉันทราคะเป็นอาการของติดที่ถูกกิเลสประเภทโลภะหรือราคะครอบกําโดยสายเงื่อนไขสองประการเข้ามาประกอบกันอยู่เสมอ าขาดไปส่วนใดส่ว น, วนหนึ่งความรู้สึกเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ประการแรกก็คือปัจจัยภายในได้แก่เชื้อของราคดที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลและปัจจัยภายนอกก็คือสิ่งที่ทรงเรียกว่าปีรูปสัต ร, รูปคําว่าปยรุษสัต ร, รูปนั้นคือสิ่งที่บุคคลไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ ในชั้นนี้ทรงจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารเพราะมุ่งผลในการปฏิบัติระดับกรรมฐานคือ เ, เน้นไปที่สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานแตนั้นแสดงก็แสดงออกไปโดยพิสดารว่าปีรูปสัต ร, รูปนั้นหมายถึงรูปเสียงกลิภภ่นรสผทิตภที่เรียกว่าอาจัตนะภายนอกก็หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจ จึงเรียกว่าอายตนาภายนและความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่ตาเห็นรูปเป็นต้นที่ท่านเรียกว่าวิญญาณการกระทบกันของอายตนาภายในภายนอกและวิญญาณที่เรียกว่าสัมผัสคือการกระทบหรือการถูกต้องเมื่อเกิดสัมผัสแล้วก็จะมีการจำสัมผัสนั้นหรือการกระทบนั้นว่ดีหรือไม่ดี ถ้าไปจำไว้ว่าสิ่งนั้นดีก็จะเกิดความกำหนัดรักใคร่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นถ้าสัมผัสแล้วมีความรู้สึกว่าไม่ดีก็จะเกิดความรู้สึกต่อต้านปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นที่เราพูดกันเป็นไทยว่าความรักความชังสำนวนบาลีท่านใช้คำว่าน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนามอเกิดการจาหมายขึ้นมา ก็จะมีการจงใจคิดจำนวนบาลีท่นานใช้คําว่าสันเจตตาคืออาศัยความจําที่เก็บไว้ภายในใจแล้วก็เนียวนึกขึ้นมาตานองการเนียวนึกในชีวิตประจําวันของบุคคลจึงจะเห็นได้ว่าสิ่งที่บุคคลนํามาเหนียวนึกนั้นเป็นเรื่องอดีตไกลๆก็มีแต่ความเหนียวนึกก็ขึ้นอยู่กับการเก็บเอาไว้ว่าเก็บไว้ในฐานะอย่างไร เก็บไว้ในฐานะเป็นคนที่เราไม่ชอบเวลาคิดถึงก็คิดถึงด้วยความไม่ชอบเก็บไว้ในฐานะชอบก็คิดถึงด้วยความชอบเพราะความคิดถึงของคนจึงมีหลักใหญ่อยู่สองหลักก็คิดถึงด้วยความชอบและคิดถึงด้วยความจังความคิดถึงทั้งสองสายนั้นก็เป็นเหตุเพิ่มพูนกิเลสขึ้นสองสายคิดถึงด้วยความชอบก็เพิ่มพูนกิเลสสายโลภสายราคะ คิดถึงด้วยอํานาจของความชังก็เพิ่มพูนกิเลสสายโทสะสายอาฆาตพยาบาทแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากความเกี่ยวเนื่องถึงกันของกิเลสกิเลสสายโมหะก็เพิ่มขึ้นภายในใจด้วยและในชั้นต่อไปก็คือการวิตกคือการตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้นวิจารคือการตรายซองถึงเรื่องเหล่านั้นแล้วก็เกิดเป็นตัณหาคือความทยานอยากในเรื่องเหล่านั้น น่เป็นการแสดงเห็นว่าฉันทราคะในที่นี้จะเกิดขึ้นได้ทุกจุดของอารมณ์ที่ทรงเรียงไว้โดยลำดับซึ่งก็หมายความว่าถ้าจะบันเทาฉันทราคะก็บันเทาได้ทุกลาดับเช่นเดียวกันแต่เนื่องจากอาการเหล่านี้เป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเร็วมากเอาก็จริงทาสติสัมปชัญญะของบุคคลมีไม่มากพอ กว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดตันหาในอารมณ์เหล่านั้นเสียแล้วแต่ในแง่ของขณะจิตแล้วประสงค์แสดงว่ามีการเกิดดับแล้วก็เปลี่ยนแปลงสถานะของสิ่งเหล่านั้นมาโดยลาดับดังกล่าวในการที่เป็นอิรูปสัตตุรูปซึ่งเป็นต้นข้าวใหญ่ของสิ่งที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัตถุการนั้น จริงแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ท่านเรียกว่าเป็นสังคต ธ, ธรรมคือธรรมที่ปัจจัยมันปรงแต่งขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ดับไปการที่สิ่งเหล่านี้เกิดมีอิทธิพลต่อใจของบุคคลจึงอยู่ที่ใจซึ่งมีชั้นภราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความใคร่ที่เป็นเชื้ออยู่ภายใน เขจะไปกําหนดอารมณ์เหล่านั้นถึงผู้ปฏิบัติจะสังเกตได้โดยใจยของตนเองว่าเอาก็จริงแล้วในแต่ละวันนั้นเราก็ไม่ได้เกิดฉันทราคะคือความกําหนัดเอำนาจความใคร่ในทุกเรื่องมีเรื่องเป็นนั้นมากที่เฉยๆก็มีเป็นนั้นมากเหมือนกันที่ไม่ชอบแล้วก็มีเป็นนั้นมากเหมือนกันที่เกิดชอบ วันตัวชั้นธราคะที่เกิดนั้นจึงเกิดขึ้นจากการดำริการตรึกนึกการกำหนดหมายของบุคคลเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาทางตาถ้าบุคคลไม่ไปกำหนดก็ไม่เป็นอะไรแกก็อยู่ขงแกอย่างนั้นแต่พอกำหนดเข้าก็จะเกิดความรักความชังในอารมณ์เหล่านั้นความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็เกิดขึ้น ในที่นี้ทรงแสดงแหล่งของสิ่งที่ก่อให้เกิดชั้นราคะไว้เป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆก็คือสิ่งที่ตนได้เห็นด้วยตาสิ่งที่ตนได้เห็นนั้นถ้ลองวิเคราะห์ดูจิตเราจะเห็นว่ า, วามันมีทึ้งสามช่วงด้วยกันคือช่วงที่ได้เห็นมาแล้วช่วงที่กําลังดูอยู่ในขณะนั้นนั้น ในช่วงที่คาดหมายว่าจะได้เห็นในโอกาสต่อไปแต่ละอารมณ์ที่ใจไปเหนียวนึกในลักษณะนั้นๆตัวแล้วแต่กอให้เกิดเป็นฉันทราคะคือความกับหนักเปรีวยบนาทความใคร่นั้นั้นและความรู้สึกเหล่านี้ก็ทรงเรียกไว้ในที่อื่นอีกเป็นนันมากเช่นเรียกว่ากามโยคะคือประกอบจิตไว้ในสิ่งที่เราใคร่ คนนี้เมื่อพินิจพิจารณาดูจิตที่ไปกําหนดอารมณ์มาน่าใคร่ก็จะสึกนึกวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านั้นเป็นระยะเวลานา น, านอาจจะข้ามวานันข้ามเดือนไปไปกันเป็นปีๆคือเหนียวนึกอยู่ถึงเรื่องเหล่านั้นฝ่ายขวัญตกคลักครุกคร้ครากับอารมณ์อยู่ซึ่งแต่ละครั้งที่มีการเหนียวนึกมันก็เป็นการเพิ่มกิเลสให้สูงขึ้นภายในใจ แล้วก็สายไปในอารมณ์ทั้งสามการดังกล่าวแล้วสิ่งหนึ่งที่สัญใช้คำว่าสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินสิ่งที่ตนได้ยินก็จัดเป็นสามประเภทเช่นเดียวกันสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอนดีตรำลึกถึงด้วยความโหยหาปรารถนาที่จะได้หวนกลับคืนมาสิ่งที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆก็ขอให้เกิดความเพลิดเพลินความยินดี ในเสียงที่ตนได้ยินสิ่งที่คาดหมายว่าจะได้ยินในอนาคตก็ขอให้เกิดความกระตือรือร้นปรารถนาที่จะได้ยินสิ่งเหล่านั้นเสียงเหล่านั้นในเวลาที่รวดเร็ลอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องที่ตนทราบคำว่ า, ารู้กับคำว่ า, าทราบสำนวนาภาษาบาลีท่านใช้ไม่เหมือนกันเห็นก็เห็นด้วยตาได้ยินก็ได้ยินด้วยหู ทราบก็คือการทราบกลิ่นด้วยจมูกทราบรสด้วยลิ้นทราบเย็นร้อนอ่อนแข็งด้วยกายถึงใช้คำเดียวว่าทราบสิ่งที่บุบคคลทราบอ น, นั้นจะพบว่าไม่ค่อยคอยคว้าไกลเท่าไหร่เพราะไหนกรณีที่ทราบกลิ่นด้วยจมูกแสดงว่ากลิ่นนั้นต้องโชยมาเข้าจมูกได้กลิ่นนั้นก็ต้องอยู่ไม่ไกลสิ่งที่ทราบด้วยลิ้นก็ต้องแตะที่ลิ้นกันเลย สิ่งที่ทราบด้วยกายก็ต้องถูกกายใจจึงจะเกิดความกำหนัดละครอยินดีอีกสิ่งที่เห็นด้วยตาหรือได้ยินด้วยหูคือไปคว้ามาได้จากที่ไกลๆแต่ในขณะเดียวกันเมื่อสิ่งเหล่านี้ตกเป็นตะกอนใจก็ อ, อยู่ภายในใจแล้วลก็ก่อให้เกิดการเหนี่ยวนึกได้ทั้งสามการเช่นเดียวกันคือทั้งที่ผ่านมาแล้วทั้งที่กำลังเพลิดเพลินอยู่และคิดว่าจะได้ทราบในอนาคต ตการใหญ่จึงอยู่ที่สิ่งซึ่งบุคคลรู้เพราะสิ่งที่บุคคลเห็นก็ดีได้ยินก็ดีทราบก็ดีก็มาเก็บไว้ภายในใจที่จะเรียกอีกจย่าหนึ่งว่าธามารม์อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจคำว่าธรมารม์นั้นที่จริงเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าที่ใจของบุคคลเก็บไว้เก็บไว้ผ่านการเวลามาเป็นเวลานาน แต่เนื่องจากในขณะกำหนดอารมณ์นั้นบุคคลกำหนดสามแนวดังกล่าวแล้วคือกำหนดด้วยองนาจความรักบ้างความช้างบ้างกำหนดกลางๆบ้างแต่เก็บไว้ทั้งสามจาใจก็จะมีการเหนียวนึกหรือเรียกว่าคิดพันแวดวงของความคิดบุคคลจะคิดได้เฉพาะจากประสบการณ์ของตนเองบุคคลไม่สามารถคิดเหนือประสบการณ์ได้ แม้แต่ความรู้ระดับยานที่บอกว่ า, ราพาระพุทธเจ้าระลึกชาติก่อนได้หรือรู้กรรมของสรร์ทั้งหลายได้ก็เกิดขึ้นจากประสบการณ์ด้วยยานของพระองค์ชาติต่างๆนั้นมีมาแล้วในอนดีตเป็นประสบการณ์ที่อยู่ลึกแต่นั้นเองแต่คนสามัญธรรมดาถูกกิเลสหุ้มห่อจิตไว้มากไม่สามารถจะรู้เห็นเรื่องเหล่านั้นได้เมื่อพระเจ้าขจัดกิเลสออกไปจากใจพระองค์ก็รู้ความเป็นไปเหล่านั้นได้ ภาพเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องของประสบการณ์ของพระองค์และข้ามพบคํามชาติมาเทานั้นเองการที่บุคคลได้เก็บสะสมอารมณ์เอาไว้ภายในใจมากในที่นี้ทรงเน้นไปที่ฉันทราคะคือความกําหนักด้วยอำนาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่แต่แท้ที่จริงแล้วมันก็อาจจะเกิดจากโทสะอาจจะเกิดจากโมหะหรืออาจจะเกิดในรูปลักษณะอย่างอื่น ลักษณะเหล่านี้บางครั้งบางคราวเป็นการใช้ถ้อยคำให้บุคคลเห็นรูปลักษณะของกิเลสเ ท, ท่านั้นเองเพราะกิเลสก็ดีธรรมะกุศละธรรมก็ดีนั่นเป็นเรื่องของนามาธรรม็นคำที่ใช้สืบอความหมายพวกกุศลและกุศลจึงใช้ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรมเช่นทรงใช้คาว่ายโยคะเราอประกอบหรือขังไว้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับกรง เรียโอคะก็คือพัดผันมีลักษณะเหมือนกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากบางทีเรียกอสวะัตแปลว่ามมมหมักหมมมือนกับเครื่องดองหรือของดองทั้งหลายบุคคลก็เห็นเห็นกันอยู่บางทีเรียกว่ากันทะแปลว่าเครื่องร้อยรัดเหมือนกับเอาสัตว์มาร้อยเอาปรามาร้อยข้าวเรียกคนมาผูกล่ําเข้าอย่างสมัยโบราณที่จับเชลยสงครามแล้วก็ร้อยไปคือบุคคลเห็นภาพของความทุกข์ทรมานที่เป็นรูปธรรมเหล่านั้น ซึ่งเกิดขึ้นจากการถูกร้อยก็ดีถูกพัดพันไปก็ดีถูกขังไว้ก็ดีถูกหมัดหมมไว้ก็ดีสิ่งเหล่านี้ที่จริงก็เป็นการอิงอาศัยเข้าท่า น, นเพื่อมาบอกกล่าวรูปสิ่งที่เป็นนามธรรมให้ชัดเจนขึ้นภายในใจของบุคคลแต่เมื่อบุคคลเกิดความเข้าใจแล้วก็จะพบว่าเป็นการพูดครบทั้งหมดเลยแต่ไม่เสนอออกมาทั้งหมด ก, การเสนอกิเลสออกมาทั้งหมดนั้นทําให้มีความรู้สึกน่ากลัวคือมากเกินไปพระเจ้าจะยกมาเพียงข้อสองข้อพูดถึงฉันทราคะในที่นี้ก็พูดเฉพาะฉันทราคะเท่านั้นแต่อย่าลืมว่ากิเลสนั้นเกี่ยวเนื่องถึงกันทั้งหมดเมื่อข่ายหนึ่งลดลงไปข่ายหนึ่งก็ลดตามไปข่ายหนึ่งดับไปข่า ย, ปายหนึ่งก็ดับตามไปด้วยเหมือนลักษณะคล้ายๆกับรถขบวนรถไฟเมื่อรถจักรหยุดอย่างอื่นนก็หยุดตามไปด้วย หรือจำนองเดียวกับคนหรือสัตว์ที่ถูกฆ่าคือจะฆ่าตรงใดก็ตามคือตัดที่คอก็ตายหรือตัดที่ตัวก็ตายก็ตายด้วยกันกิรลก็มีลักษณะอย่านกันคือเวลาตายเขก็ตายไปทั้งตัวเลยไม่ใช่ไปตายเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเมื่อบุคคลบรรเทาฉันทราคะได้ไอโทสะมันก็ลดลงไปให้ลองสังเกตว่าถ้าไม่มีความรักมันก็ไม่มีความชัง เพราะว่าความรักกับความชังเกิดขึ้นจากการกําหนดอารมณ์คนลนักขณะคนลอารมณ์กันเท่านั้นเองอารมณ์ที่กําหนดว่ารักนั้นวะหลังอาจจะกําหนดว่าชังก็ได้อารมณ์ที่กาหนดว่าชังก็อาจจะกําหนดว่ารักอีกก็ได้หรือกำหนดว่าเฉยๆเบตต์ทั้งหมดทั้งสองฝ่ายก็ได้ตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ใจที่ไปเหนียวนึกไปตรึกนึกถึงสิ่งเหล่านั้นยามที่ทรงแสดงไว้ว่า ความดั่ริเป็นกามคือความใคร่ของคนคือถ้าบุคคลไม่เป็นเนียวนึกด้วยอำนาจความใคร่รูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องความเปลี่ยนแปลงทางจิตก็ไม่เกิดขึ้นแต่อย่าลืมว่าอีกด้านหนึ่งนั้นคือการกำหนดว่ารูปไม่สวยเสียงไม่ไพเราะกลิ่นไม่หอมรสไม่อร่อยสัมผัสไม่น่าจับต้องก็เกิดเป็นปฏิกะเกิดเป็นความโกรธความไม่พอใจความไม่ยินดีตลอดถึงอาฆาพยาบาทในอารมณ์นั้น นี่เป็นการแสดงถึงมรคปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติเพื่อจะกำจัดกิเลสออกไปแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงผลคือนิพพานในแก่นิโรธในอริยสัจและฉันทะละคะซึ่งก็คือสมุทัยในอริยสัจแต่ทรงเล่นไปที่การปฏิบัติเพื่อดับสิ่งเหล่านี้ ในการจะดับนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องกระทำให้สมบูรณ์ตามหลักของใจสิกขาอย่างที่ทราบกันปัญหาสำคัญจึงไม่อยู่ที่ว่าดับในทันทีทันใดเพราะก็จริงแล้วเป็นเรื่องที่น้อยคนนักจะทาได้คนขนาดพระพุทธเจ้าสร้างสมมลมารมีมาขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลาทั้งหกปีจึงสามารถดับได้แต่บนเส้นทางแห่งความเปลี่ยนพยายามตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้นั้น ประสงค์มุ่งหมายในขั้นของการบรรเทาการลดความรุนแรงการปิดกั้นกระแสของอารมณ์เอาไว้ใครบุคคลสามารถสัมผัสกับความสงบเย็นซึ่งเป็นอาการส่วนหนึ่งของนิพพานอย่างน้อยก็ในชีวิตประจําวันเราจะผ่านการเวลาไปได้เป็นวันเป็นคืนหรือหลายวันเป็นต้นในชั้นของการจะดับสิ่งเหล่านี้จึงทรงมีอุบายวิธีเป็นอันมาก เฉพาะในที่นี้จะยกมาบางประการเช่นว่าพยายามกําหนดรู้โทษของใจที่สายไปด้วยแรงผลักดันของกิเลสไม่ว่าจะเป็นความกําหนัดด้วยอํานาจความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่หรือความขัดเคืองด้วยอํานาจของโทสะในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองก็ตามปัญหาสําคัญจึงอยู่ที่การมองเห็นโทษ ถ้าไม่มองเห็นโทษในสิ่งเหล่านั้นแล้วบุคคลจะละสิ่งเหล่านั้นไม่ได้และให้มองได้ในจุดอื่นว่าไม่ใช่ว่าอะไรก็ตามถ้ายัางไม่เห็นโทษแล้วบุคคลจะไม่ละสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ทอดทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปวันใดที่เห็นโทษประจักษ์แจ้งแก่ใจของตนใจก็จะได้จะคลายความกำหนัดความยึดติดในอารมณ์เหล่านั้นปัญหาใหญ่จึงต้องอาศัยการสำเนี๊ยบศึกษา สิ่งที่ปรากฏเป็นรูปธรรมในชีวิตประจำวันของเราเช่นว่าเห็นคนกระทําอาชญา ก, กรรมที่เกี่ยวกับทางเพศเป็นต้นหรือเกี่ยวกับการฆ่าการทําลายการปล้นจี้หลอกลวงช่อกองช่อกองต้นตุนอะไรต่างๆวิเคราะห์เจาะลึกลงไปถึงต้นเหตุจริงๆว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นก็าอาจจะจบลงด้วยถูกยิงถูกฆ่าติดคุกหรือว่าหนีหัวซุกหัวซูลไปในสถานที่ต่างๆก็ตาม นั่นเป็นภาพความเคลื่อนไหวของเหตุผลแห่งกิเลสต้นตอจริงๆก็เกิดจากกิเลสสายโลภะที่มีมากเกินไปจนถึงว่าคุมไว้ไม่อยู่เขาทะลุทะลวงออกมาได้กลายเป็นนิวรรุ้มรุมใจทำลายกําแพงคือศีลออกไปแล้วก็ล้นออกมาข้างนอกเป็นตำนองน้ำที่หลากล้นเขื่อนหรือพังเลื่อนออกมา มีความรุนแรงมีอันตรายเกิดขึ้นแลในที่สุดผลกระทบกอกออกมาต่างๆกิเลสแต่และตัวก็ปรากฏออกมาการช่อโกงหลอกลวงต้มตุนเป็นอาการของโลภะที่จัดเมื่อมีคนขัดขวางมีคนมให้ความร่วมมือคนเหล่านี้ก็เกิดโกรธประทุษรายนั้นเป็นอาการของโทสะที่จัดและเพื่อปกติ ปกป้องความผิดของตนเองบางทีก็ทําลายหลักฐานไปทําลายคนอื่นนั่นก็คือโมหะที่เพิ่มขึ้นแสดงว่ากิเลสจะเพิ่มขึ้นทุกจุดแล้วในที่สุดพฤติกรรมความรุนแรงต่างๆก็ออกมาบางครั้งคนบางคนก็ตายไปบางครั้งก็ติดคุกบางครั้งก็ต้องหนีซุกซ่อนไปในที่ต่างๆอันนั้นเป็นอาการไหลของน้ำท่านน่ะเองต้นตอจริงๆนั้นก็อยู่มาจากใจซึ่งมีการกําหนดอารมณ์ และขาดการควบคุมบังคับบัญชาจนปริมาณของกิเลสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วหยุดไว้ไม่อยู่สะท้อนความรุนแรงออกมาในลักษณะต่างๆนี่คือโทษที่เห็นไดประจักษ์เป็นปัจจุบันที่ท่านชาักำว่าเป็นทิฏฐธรรมคือเห็นในขณะนั้นนั้นแล้วก็มองย้อนกลับมาสรวสอบว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นเช่นเดียวกับที่เขาเป็น ประสบความเดือดร้อนอย่างที่เขาประสบความเดือดร้อนแล้วก็ตรวจสอบวิเคราะห์ดูใจของตนว่ามีความรุนแรงในด้านอะไรบ้างมีราคัดแรงไปไหมมีโทสะแรงไปไหม ม, ไไห ม, มีโมหะแรงไปไหมถ้าแรงไปในรู้สึกว่าร้อนหรือเปล่าใจเวลานี้ร้อนไหมร้อนทําไมจึงร้อนก็จะเห็นว่าปริมาณสูงเกินไปก็ลดความร้อนลงไป ตัวอย่างเหล่านี้การลดนั้นเราจะเห็นว่าเราอาจจะหาบทเรียนจากเตาแก๊สจากอะไรก็ได้พิธีงเป็นบทเรียนในแง่ของธรรมะได้ทั้งหมดเราถ้ามากไปก็จะมีการเผาไหม้แทนที่จะปรุงอาหารก็อาจจะทํำลายภาชนะไปด้วยแต่ถ้าควบคุมให้อยู่ในจุดที่ไม่เป็นอันตรายมันก็ได้ประโยชน์ในระดับหนึ่งก็พยายามบรรเทาความรุนแรงเหล่านั้นซึ่งในชั้นการคุ้มครองตนรักษาตนนั้น พระเจ้าทรงสอนในแนวของการพินิษพิจารณาพิจารณาแล้วต้องเกี่ยวข้องกับปัจจัย4แต่ว่าทําอย่างไรจะต้องจะไม่ตกเป็นทาสของปัจจัย4และทําความชั่วความผิดเพราะปัจจัย4เป็นเหตุขอให้พินิษพิจารณาถึงการแสวงหาการได้มาการบริโภคปัจจัย4ี่ที่จะถึงก็เป็นการทําลายตัวเอง ให้ปัจจัยสี่รับใช้ตนอย่าให้ตนเป็นทาสของปัจจัยสีลักษณะของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นก็ส่งสอนให้บุคคลพยายามปินิจใจอารมณ์อารมณ์บางอย่างที่เป็นตัวกระตุ้นกิเลสไม่ว่ากระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะหรือกระตุ้นโมหะก็ตามก็พยายามอดกลั้นทนทานต่ออารมณ์เหล่านั้นทำนองกับที่เราพูดกันว่า ต่อมือข้างเดียวไม่ดันคือหมายความว่าแม้จะมีอารมณ์มากระตุ้นแต่ว่าใจไม่ไปรับไม่ไปกำหนดอารมณ์เราก็หยุดความคิดไปเยียงท่านั้นอมองให้เป็นเรื่องที่น่าสงสารมองด้วยเมตตามองด้วยการให้อภัยมองด้วยความอดทนก็จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ในกรณีที่แยกชัดถึงการตกไปของจิตคือจิตเป็นเหนียวนึกอารมณ์ต่าง ตามปกติแล้วจิตก็จะเหนียวนึกไปในสองทางและในสายราคานั้นจิตจะเหนียวนึกได้นานและได้มากก็ดูว่าจิตมันไหลไปในอารมณ์อะไรในต่อไปจะเป็นยังไงก็พยายามต้านทานพยายามลดความคิดความรุนแรงในทางอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้หรือบางทีก็เว้นไปเลยไม่คิดไม่ทําไม่เสริมสร้างเหตุเพื่อเป็นการเพิ่มพนกิเลสขึ้นภายในใจ อีกชั้นหนึ่งทรงใช้คำว่าฉลาดในวิตกบทคือทางของความคิดตามปกติแล้วจิตต้องคิดไม่มีจิตอะไรที่ไม่คิดเพราะธรรมชาติของจิตคือคิดอารมณ์เป็นลักษณะท่านก็สอนให้วิเคราะห์ถึงสิ่งที่เราคิดกับผลที่เกิดขึ้นจากความคิดคิดอะไรคิดเพื่ออะไรคิดไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรก็มองดูประโยชน์ที่มีลักษณะสร้างสารรค์พัฒนาจิตใจ เสริมสร้างคุณภาพของจิตใจให้สูงขึ้นก็คิดในเรื่องเหล่านั้นแต่เรื่องอะไรที่คิดไปแล้วเพิ่มความขุ่นมัวเราบมองความรุนแรงให้เกิดขึ้นเกิดจิตใจสงสายคำว่าบันเทาพิจารณาเห็นแล้วก็บันเทาเอาไว้หมายความว่าก็คงจะคิดอยู่แต่ก็ลดความรุนแรงในด้านความคิดซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่า ความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นจากคิดในแนวเดียวแล้วก็ปล่อยให้ไหลไม่มีการประทะไว้เช่นว่าคนที่เคยเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันรักใคร่สนิทสนมคุ้นเคยกันหรือบางทีเป็นสามีพันยาการแล้วก็เลิกจากกันเป็นเรื่องแปลกที่ว่าคนเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาระยะหนึ่งบางคนอาจตั้งยี่สิบปีหรือยี่สิปีกว่าๆเคยเป็นเพื่อนทุกข์กู่ทุกข์กขู้ยากกันมาช่วยเหลือป้องกันภัยอันตรายกันมา ร่วมทุกร่วมสุขกันมานานพอเลิกกันแล้วก็โกรดนั้นหลังให้เป็นศัตรูรจะฆ่ากันได้แต่ถ้าบุคคลคิดในลักษณะแบ่งแยกนึกถึงความดีเขาบ้างนึกถึงอุปการคุณต่างๆที่เคยร่วมทุกร่วมสุขกันมาไอความโรกรธแกจะถูกสลายไปอย่างน้อยที่สุดทําใจเฉยๆถ้าลดได้มากกว่านั้นก็กลายเป็นมิตรกันพระตาก็มีลูกมีเจ้าโดยกันฝ่ายหนึ่งก็เป็นพ่อของลูกฝ่ายหนึ่งก็เป็นแม่ของลูก ที่เคยเห็นแก่ลูกเอาไว้นี่เป็นการคิดลดความรุนแรงไปได้แทนที่จะคิดถึงได้เห็นหน้าได้ยินเสียงเกิดโทสะเกิดปฏิฆะก็สื่อความอบอุ่นคุ้นเคยสหายเก่าวกลับมาทําให้จิตใจของตนสบายการบรรเทาความรุนแรงก็คล้ายๆกับน้ามันไหลแือถ้าเราปล่อยให้ไหลาทางเดียวมันก็แรงวิธีจะทำไม่ให้แรงก็คือแยกให้ออกไปหลายสายหลายสาขาได้แกน สำนองพวกชนประธานอะไรต่างๆเนี่ยก็ระบายน้ําให้แยกไปในหลายๆทางและในสุดความรุนแรงทุกจุดจะน้อยลงและกลับใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้ถึงแม้แต่ในคิดเหนียวนึกไปในเรื่องของราคาความก้าหนนะักมันก็ต้องมองในแนวที่จะลดราคาเหล่านี้ลงไปด้วยทรงสอนในชั้นของการบันเทาซึ่งถ้าบันเทาลงไปได้ ใจก็จะสงบจากอารมณ์ทั้งหลายได้อย่างน้อยที่สุดก็ในขณะนั้นๆเมื่อบุคคลสัมผัสผลคืออนนิสงเห็นว่าเออคิดอย่างนี้ใจมันเกิดความสงบคล้ายๆกับว่ารับประทานอาหารอย่างนี้แล้วท้องใส่สบายนั่งตรงนี้ลมเย็นสบายดีเคยนั่งมาครั้งหนึ่งวันหลังก็มานั่งอีกวันต่อไปก็มานั่งอีกจิตใจของบุคคลที่บรรเทาความรุนแรงของกิเลสตนเห็นผล และต่อไปนั้นชันท้าอุตสาหะที่เราเรียกว่าอิธิบาทหรือเรียกว่าโคดชงก็ได้ก็จะบังเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หนุนนุงเพิ่มปริมาณของธรรมะให้สูงขึ้นในที่สุดความซึงงบความเยือกเย็นความปร่งเบาสบายก็จะปรากฏในจิตของบุคคลเพิ่มขึ้นโดยลำดับเป็นการช่วยสัมผัสชั้นหนึ่งของนิพพานถึงแม้จะเป็นนิพพานอย่างหยาบก็ตาม แต่นั้นก็คือเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เพิ่มพูนความสุขความส ง, งบยิ่งยิ่งขึ้นไปต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป